จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมวันนี้จะพูดในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายสืบต่อไปวันนี้จะได้พูดในหมวดของขีหิตปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสาหรับเครือขัดในหัวข้อว่าทาเป็นเหตุให้สมหมาย 4อย่างคือหนึ่งศรัท ธ, ธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเชื่อสองศีละสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลสาจาระสัมปทาถึงพร้อมด้วยบริจาคทาน 4. ่ปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาทั้งสี่อย่างนี้ได้ชื่อว่าทำเป็นเหตุให้สมหมาย คือหมายความว่าคนน่าหากว่ามีคุณธรรมครอบทั้งสี่ประการผู้นั้นจะบริบูรณ์ไปด้วยสมบัติบริบูรณ์ด้วยลาบยศสุขสัรเสริมและผู้นั้นจะมีอายุยืนและก็มีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะอธิบายเป็นข้อๆเพื่อเป็นแนวทางแต่นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้จะปฏิบัติศืกต่อไป ในข้อแรกที่บอกว่าศรัทธาสัำปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่อคำว่าความเชื่อในที่นี้แบ่งออกเป็นสี่ประการคือหนึ่งกรร ม, มสัทธาเชื่อกรรมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องมีการกระทำมาเป็นเรื่องแรกนะจะต้องมีการกระทำเป็นเรื่องแรก คือหมายถึงว่าเชื่อการกระทํำประรรการที่สองวิปาัะสัทธาเชื่อผลแห่งกรรมเชื่อว่าคนเราจะดีจะชั่วนั้น อ, อยู่ที่ผลแห่งการกระรทําทําดีต้องได้รับผลดีทําชั่วต้องได้รับผลชั่วอันนี้เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาเพราะคนเรานั้นถ้าหากว่าทําดีทางกาย ทางวาจาและทางใจผลที่ได้รับก็คือเราจะได้รับความสุขความสบายความเจริญความงอกงามทั้งทางกายวาจาใจอีกเช่นกันถ้าว่าเราทําชั่วในทางกายวาจาใจผลที่เราได้รับก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนฉะนั้นกรรมนี่แหละเป็นเครื่องจําแนกสัตว์ให้ดีก็ได้ให้เลวก็ได้กรรมมังสัตเตวิพัชติกรรมเป็นเครื่องจําแนกสัตว์ ฉะนั้นเราทุกคนนี้จะดีจะชั่วนั้นอยู่ที่การกระทำนะอยู่ที่การกระทำแต่ทุกวันนี้เรามักไม่ยอมรับการกระทำดีทำชั่วเพราะไปถือว่าการทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปไปนึกอย่างนั้นอันนี้ถือว่าผิดหลักความจริงในทางพระพุทธศาสนาเพราะในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธอง์ได้สัตว์เป็นภาษิตไม่เลยว่ายาที่สั่งวัตเตภีชังตาที่สังลัพเตทลังกาลยานาการีกาลยานังปาปาการีจะปาปังบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือถ้าจะพูดให้ชัดอีกนิดหน่อยว่าทำดีย่อมได้รับความดีทำชั่วย่อมได้รับความชั่ว ความดีและความชั่วนั้นมันอยู่มันจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีเหตุอทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุไม่มีเหตุจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อหมดเหตุทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดกันไปฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าเยธรรมมาเหตุาาตุปภาเตสังเหตุาาตุงตถาคโตเตสังจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโน แกลให้สั้นเพื่อให้ได้ใจความที่สุดก็คือว่าทําใดเกิดแต่เหตุทํานั้นก็ย่อมดับลงด้วยเหตุหรือสิ่งใดเกิดจากเหตุสิ่งนั้นก็ย่อมดับลงด้วยเหตุนั้นฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลของกันและกันอ่าฉะนั้นเราจะบอกว่าทําดีไม่ได้รับผลดีไม่ได้อ่าทําดีต้องได้รับผลดีทําชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วอ่าเราปลูกพืชปลูกข้าวก็ต้องได้ข้าวปลูกข้าวจะไปได้ถั่วได้งาไม่ได้ อันนี้มันผิดหลักธรรมชาติและผิดหลักความจริงไม่ถูกต้องฉะนั้นจึงมีคำกรรมบทหนึ่งบอกไว้ว่าการทำดีได้ดีนั้นมีแน่ขอเพียงแต่มันทำความดีไว้ที่ทำชั่วได้ดีมีถมไปไม่มีใครจีรังทังทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีเหตุนี้ผลว่าทำดีก็ต้องได้ดีขอให้ทาบ่อย การทำดีในทางพระพุทธศาสนานั้นหนึ่งทำไปแล้วต้องไม่เบียดเบียนตัวเองสองทำไปแล้วต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นสามทำไปแล้ววินยูชนคือคนดีรับรองว่าเราทำดีนั่นแหละคือการกระทำความดีแต่ถ้าทำแล้วเบียดเบียนตัวเองทำแล้วทำให้เดือดร้อนผู้อื่นทำแล้วผู้รู้หรือนักปฏิชินินทานั่นเป็นการกระทำความชั่วไม่ใช่กระทำความดี ฉะนั้นจึงบอกว่ า, าหลักเกณฑ์ในการที่เราจะเชื่อนั้นก็คือหนึ่งเชื่อกรรมเชื่อการกระทำเ ช, ชื่อว่าคนเราทุกคนนั้นจะดีหรือชั่วนั้นอยู่ที่การกระทำเชื่อผลของกรรมคือเชื่อว่าทําดีต้องได้รับผลแห่งความดีทําชั่วก็ต้องได้รับผลแห่งความชั่วอันนี้ก็เป็นหลักที่ให้เราเห็นประจับอยู่ทุกที่ทุกวันตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าทาง สถานีวิทยุประกาศตอนเช้าคนที่ไปจี้ปล้นไปงัดง่เขาก็ถูกตำรวจจับได้ติดคุกติดตารางหรือบางทีก็ถูกยิงตายถูกฆ่าตายอะไรอย่างนี้เห็นมีอยู่แทบทุกวันนะแทบทุกวันนี่เป็นผลแห่งการกระทําความชั่วและคนที่ได้ทางความดีเขาก็ย่อมได้รับความจเจริญรุ่งเรืองในด้านชื่อเสียงลาบยศแล้วก็แม้แต่กระทั่งสังคมประเทศชาติก็ อาศัยคนที่ตั้งใจทําดีอด้วยความสุดจริตทางกายทางวาจาทางใจก็จึงทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้เรืการที่สามกรรมมกตาสัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนคือหมายความว่าเรานั้นอทํากรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับกรรมอย่างนั้นคนหนึ่งทําจะให้คนหนึ่งได้รับไม่ได้นะคนใดบริโภค อาหารเองก็ย่อมจะอิ่มเองใครไม่บริโภคก็ไม่อิ่มนะก็ไม่อิ่มฉะนั้นเรานี่มีกรรมเป็นของของตนเราเป็นเจ้าของกรรมเรามีกรรมเป็นาญายาทนะเรามีกรรมเป็นพวกพ้องเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยเราทำกรรมอย่างไรก็ย่อมได้รับกรรมอย่างนั้นนี่แหละคือว่าเราอย่าไปโทษ นะพูดผีปีศาจหรือเท้าเทวดาได้ก็แล้วแต่นะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราเป็นคนทําทั้งนั้นตัวของเราเราเป็นผู้ริคิดไม่ใช่พระพรหมไม่ใช่พระอินนะหรือว่าไม่ใช่หมอดูหรือว่าไม่ใช่หลวงพ่ออะไรองค์ไหนที่ว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นอยู่ที่ตัวเรานะเราเป็นผู้บันดาลเป็นผู้ริขิดชีวิตของตัวเราเองให้ดีก็ได้ให้ชั่วก็ได้ ฉะนั้นขอให้เราได้เข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องอความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาประการที่สี่ก็คือตัถาคตาโพธิสัต t h เชื่อพระปรีชาญาณของพระทถาคตเชื่อว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ต ร, รัสรู้ด้วยพระองค์เองคือตรัสรู้อริยศสัตสีทำให้อาสะวะกิเลตตัณหาหมดไป อ่อาสมกิเลสตัณหาหมดไปคือรู้อะไรรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับทุกรู้หนทางให้ถึงความดับทุกนี่เนี่ยจึงทําให้พระองค์นั้นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันต่อสังขารแล้วก็รู้ทั้งโลกนี้รู้ทั้งโลกหน้าเรียกว่าเป็นสัพพันอยู่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นนี่เนี่ยจึงบอกว่า ศรัทธาสำรัรัทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาก็คือด้วยความเชื่อถ้าหากว่าคนเราเชื่อด้วยหลักทั้งสี่ประการเรียกว่าเชื่อถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อไม่ถูกต้องก็จะทำให้เรานั้นมีโมหะเครือบแคลงอยู่ทำให้ผิดพลาดแล้วก็งม ง, งายอาจจะต้องเสียทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเสียเนื้อเสียตัวแล้วก็จะเสียใจไปตลอดชีวิตก็มี นั้นจึงบอกว่าศรัทธาคือความเชื่อนี้ต้องเป็นศรัทธาที่มั่นคงพระพุทธองค์จึงได้ตรัสไว้ว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาคนถ้ามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วจะทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างตรงกันข้ามถ้าหากว่าศรัทธามันไม่มั่นคงเป็นศรัทธาที่ครอนแคลนวันไหวง่ายใครพูดอย่างโน้นก็ไปเขาบอกว่าอ้าวหลวงพ่อองค์นั้นดีเอาเกิดศรัทธาไปอีกแล้ว หลวงพ่อเอานี้เห็น้ำมนต์ดีไปอีกแล้วหลวงพ่อเอาน้นให้หวยแม่นออกไปอีกแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีจละศัทธาคือยังมีศรัทธาวันไหวไม่มั่นคงยังคลอนแผลนโอนเอียงไปอย่างนี้ไม่ใช่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาโบราณเขาเรียกว่าศรัทธาหัวเป่าปลุกเข้าปลุกออกยังไม่แน่นอนนะยังไม่แน่นอนฉะนั้นขอให้เรานั้นเชื่อให้ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนา อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราไปเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเลิกเรื่องยามอันนี้ก็ถือว่าผิดพลาดจากคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสรัมมาสาัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตัดว่าไอ้เรื่องเลิกเรื่องยามเรื่องดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าจะมาทําอะไรได้ะจะมาทําอะไรได้ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้อขอให้เราทุกคนนั้นมีความพร้อมด้วยกายวิาจาใจแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติ เมื่อนั้นแหละนั่นแหละคือความความพร้อมของเรานั่นแหละคือเลิกดียามดีคู่ดีของเราเราพร้อมเมื่อไหรนะพร้อมเมื่อไร่ก็เริ่มลงมือทำเมื่อนั้นเลยนะอย่างนี้นะนี่เป็นความพร้อมเป็นเลิกดีเป็นยามดีคู่ดีขณะ ด, ดีเป็นมางคนแค่ตัวเราบางคนมีเงินแล้วจะปลูกบ้านแต่ไม่แน่ใจกลัวว่าจะปลูกไปแล้วมันก็ได้เลิกไม่ดีก็ไปหาหมอว่า เมื่อไรจึงจะปลูกดีหมอก็บอกว่าเราต้องปลูกปีหน้าปีนี้ไม่ดีปรากฏว่าคอยไปปีหน้าอเงินที่เก็บไว้ปลูกบ้านก็หมดกันพอดีนี่อย่างนี้ก็มีเยอะนี่เยอะบางคนจะแต่งงานอือ้าวก็หาตนไปหาเลิกหายามทั้งที่รักกันปานจะคืนรักกันมากรักกันมาหลายปีแต่พมหมอดูบอกว่าเข้ากันไม่ได้แต่งกันไปแล้วก็จะต้องมีเหตุขัดแย้งกันแล้วก็ต่อไปจะมีปัญหาอ้าว ก็พานต้องเลิกกันไปก็มีนี่เพราะเราเชื่อไอ้สิ่งที่มันนอกพระพุทธศาสนาเชื่อในสิ่งที่ที่ไม่ควรเชื่อไอ้สิ่งที่ควรเชื่อเรากลับไม่เชื่อนี่แหละอันนี้มันก็ถือว่าเราเชื่อในทางที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นขอให้เรามาเชื่อในทางที่ถูกต้องก็คือต้องเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเชื่อพระกริชายานของประฐาคตอย่างนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทา ในข้อที่สองศีลละสัมปทานถึงพร้อมด้วยศีลคำว่าศีลนี้แปลว่ามัน่นคำว่าศีลนี้แปลว่าเย็นก็ได้นะแปลว่าปกติก็ได้นะเพราะคำว่าศีลนี้คือคาว่าปกติคือปกติทางกายปกติทางวาจาคนมีศีลก็คือคนที่รักษาปกติ ปกติอย่างไรสมมุติว่าพระอาทิตย์นี้ปกติขึ้นทางทิศ ต, ตะวันออกแล้วก็ส่องแสงสว่างไปตกทางทิศ ต, ตะวันตกอย่างนี้เรียกว่าเป็นปกติถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์ไปขึ้นทางทิศเหนืออย่างนี้ก็ถือว่าผิดปกติคนเราทุกคนชาวพุทธของเราโดยทุกคนนั้นจะต้องรับประทานอาหารกินข้าวถ้าหากว่าเราไม่กินข้าว ไปกินอย่างอื่นก็ถือว่าผิดปกติ เ, เรามีลูกมีหลาน <Okay. S 1> เคยป้อนข้าวลูกอยู่ทุกวันลูกกินข้าวเป็นปกติแต่ปรากฏว่าวันนี้ลูกไม่กินข้าวก็ถือว่าผิดปกติอีกเหมือนกันฉะนั้นวามวันศีลคนมีศีลก็คือคนที่รักษาความเป็นปกติของคนนั่นเองปกติของความเป็นมนุษย์คนเราทุกคนนั้นไม่ได้เกิดมาฆ่ากัน นะไม่ได้เกิดมาฆ่ากันการการเกิดมาไม่ฆ่ากันนั่นแหละคือการรักษาความเป็นปกติของมนุษย์การเกิดมาฆ่ากันเบียดเบียนกันทรมานกันนั่นเป็นการผิดปกติของมนุษย์ผิดปกติก็คือผิดศีนั่นเองอคนที่ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนกันคือคนที่รั ก, รกษาศีนก็คือคนที่รักษาปกติของความเป็นมนุษย์ในศีนขแรกข้อที่สองคนเราเกิดมานั้น ไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะล่วงล้ำกั้งเกินในสิ่งของของของตนคิดว่าไม่มีการลักขโมยซึ่งกันและกันหรือจี้ปล้นฆ่าต่างๆอย่างนี้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนั้นถือว่าผิดปกติผิดปกติก็คือคนที่ผิดศีลดำเนินชีวิตในทางวิชาชีพฉะนั้นเราทุกคนนั้นจะต้องหวงแหนทรัพสมบัติของตน รักทรัพย์สมบัติของตนเพราะกลัวาตนจะหามาได้ก็ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำํำฉะนั้นเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดมาถือเอาโดยอาการรักขโมยหรือว่าจี้ปล้นฆ่ายัางหนึ่งอย่างใดก็ดีถือว่าเป็นการผิดปกติก็คือผิดศีนั่นเองฉะนั้นเราจะต้องดําเนินโดยสำมาชีพก็เท่ากับว่าเรารักษาความเป็นปกติของมนุษย์ก็คือเป็นคนมีศีลถึงพร้อมด้วยสีนั่นเอง ในคำว่าศีลเนี่ยนะศีละเนี่ยมันมาจากคำว่าศิลาศิลานี่แปลว่าหินนะแล้ว่าก้อนหินฉังนั้นหินนี่มันแข็งมันหนักมันแน่นนะมันหนักมันแน่นคนมีศีลก็เหมือนกับว่าคนมีมีก้อนศิลานะคือมีความหนักนะอะไรมันหนักคือเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรามันหนักไปหมดไม่เป็นคนมือไวไม่เป็นคนปากไว เป็นคนมือหนักก็คือว่าไม่เอามือนั่นไปหยิบไปช่วยไปตบไปตีไปต่ปตอยเขาไม่เอาเท้าไปทําร้ายร่างกายเขาอ่ามันหนักไปหมดจนกระทั่งที่สุดคือต้องทําจิตใจให้หนักแนะ่นทําจิตใจให้หนักแนะ่คนมีสีต้องมีจิตใจหนักแน่น ะ, ะจิตใจหนักแนะ่นอ่าแล้วก็ต้องไม่ประพฤติผิดปะเวณีการประพฤติผิดปเวณีถือว่าไม่ได้รักษาความเป็นปกติของมนุษย์ก็คือคนที่ผิดสีนั่นเอง เพราะคนเราทุกคนนั้นแน่นอนที่สุดจะต้องมีสิทธิเสรีภาพการที่เราจะมาล่วมสิทธิเสรีภาพนั้นจะต้องให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมเข้าตามตรอกออกตามประตูจะมาสุดข่าอนาจารหรือก่ออขมขืนอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นการผิดระเวณีก็คือผิดศีลในข้อที่สามเรียกว่าผิดปกติของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นการกระทำของบุคคลผู้มีจิตใจสูง ไม่ใช่เป็นการกระทำของบุคคลที่พัฒนาแล้วการกระทำอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับพวกสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคนไม่มีศีลเป็นคนผิดปกตินั่นเองฉะนั้นเราทุกคนจะต้องรักษาความเป็นปกติก็คือรักษาศีลมีศีลมาในข้อที่สี่เหมือนกันคนเราการพูดมีกับการพูดชั่ว ถ้าอยถามว่าในสองอย่างนี้อันไหนเป็นปกติของมนุษย์อันไหนเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบใจทุกคนก็จะต้องตอบว่าการพูดดีเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบใจเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานี่แหละคือเป็นปกติของมนุษย์แต่การพูดโกหกหลอกลวงทําให้เขาต้องสูญเสียผลประโยชน์สูญเสียทรัพย์สมบัติแม้กระทั่งที่สุดเสียเนื้อเสียตัวเสียใจถึงกับต้องฆ่าตัวตายถึงกับต้องหมดเนื้อหมดตัวหมดทรัพย์สมบัติอย่างนี้ถือว่าเรา ผิดปกติของความเป็นมนุษย์ผิดศีลในข้อที่สี่คือในข้อมุสาวะหาพูดหรือการพูดดา่าการพูดวาจาหยาบคายพูดเพิเจอร์พูดสอบเสียดนี่ถือว่าผิดปกติของความเป็นมนุษย์ทั้มนั้นนะคําเหล่านี้เราทุกคนไม่ปรารถนาเราไม่อยากให้ใครมาพูดจาหยาบคายกับเราไม่อยากให้ใครมาพูดจาสอบเสียดเราไม่อยากให้ใครมาพูดเพิเจอร์กับเราไม่อยากให้ใครมาพูดโกหกเราเมื่อเรา ตราฐานอย่างนี้เราก็ต้องไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดเพ้เจ้อไม่พูดโกหกผู้อื่นอีกเหมือนกันเมื่อเราทําอย่างนี้นก็จะได้ชื่อว่าเราเป็นคนรักษาความเป็นปกติของมนุษย์ก็คือรักษาศีลในข้อที่สี่ข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะคนเรานั้นจะเห็นว่าการพบปากกันหรือทานจะเรียกขานวานานันใช้น้ำเราใช้ปากพูดฉะนั้นปากนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ ล่อแหลมต่อการที่เราจะผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องศีลในข้อนี้มากถึงแม้ว่าศีลจะไม่ขาดแต่ก็ทําให้ด่างพร้อยไปได้นะทาให้ด่างพร้อยไปได้ทําให้ทะลุไปได้อ่อฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงทําความเข้าใจว่าการรักษาศีลนั้นเราจะต้องรักษาที่กายที่วาจานะที่จาที่วาจาส่วนระดับของพระเอเจ้าก็รักษาได้ถึงใจนะถึงใจ แต่การสุดท้ายก็คือว่าการดื่มน้ําเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนเรามีเหตุที่จะทําให้เสียสติอยู่สองทางคือหนึ่งเสียสติโดยธรรมชาติ่ อ, า, อาจจะเป็นคนคิดมากาเสียประสาทเป็นโรคจิตโรคอะไรนี่อันนี้ก็ทําให้เสียสติได้อีกอย่างหนึ่งก็เหตุภายนอกก็คือมีเครื่องวัตถุเครื่องมือเมาอันนี้มาทําให้เร า, าต้องเสียสติคือเป็นเครื่องที่ มาย้อมจิตใจของเราทำให้มึนเมาทำให้ลุ่มหลงนะมองไม่รู้ไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเมื่อมีสิ่งเหล่านั้นเข้ามาก็ทำให้เรานั้นลืมตัวไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างทำให้กลา้ากลา้ากระทำความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างได้ให้สังเกตดูคนเราเมื่อเมื่อเมาไปแล้วก็ ฆ่าสัตว์ก็ได้รักทรัพย์ก็ได้ประพฤติผิดประเวณีก็ได้พูดโกหกก็ได้นะทาได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เพราะอะไรเพราะน้ําเงาเข้าปากเพราะน้ําเปลี่ยนิสัยจึงทําให้จิตใจของตัวเองนั้นอยากกระด้างนะานั้นจึงมีโทษนาน า, นาประการคนที่ชอบ อ, อดื่มเครื่องดื่มนเมานี้ก็แน่นอนที่สุดอาการแรกก็ทําให้เสียทรัพย์เมื่อเสียทรัพย์แล้วก็เสียศิน เมื่อเสียศีลแล้วก็เสียคนนะก็เสียคนก่อนที่เราจะได้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเราต้องเอาทรัพย์เข้าไปแลกพอเราเอาแลกเข้ามาแล้วเราก็ดื่มพอเหล้าเข้าปากเลยเครื่องมึนเมาเข้าปากเราก็ผิดศีลหรือว่าเสียศีล น, นะเมื่อเมื่อเรากินได้ถึงที่ก็เกิดความเมาก็ทําให้เราเสียคนคนพอเป็นความเสียไปแล้วมันก็หมดทัาง น, นะไม่มีไม่มีความดีอะไรเลยนะดังนั้นเราจะต้องเป็นคนดี นะไอ้ดีมันตรงกับข้างกับชั่วไอ้ชั่วก็คือเสียนั่นเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องอขาดสติคนขาดสติก็คือคนที่มีสติวิปลาสนัคือคนที่มีสติวิปลาสคือคนที่จะต้องประพฤติผิดศีลอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนจงงดเว้นจากการเครื่องมึนเมาทุกชนิดก็จะทําให้เรานั้นไม่ผิดศีลในข้อนี้ได้ ฉะนั้นเมื่อเราทุกคนเป็นคนมีศีลแน่นอนที่สุดวิธีการจะรักษาศีลนั้นก็้วยเหตุสามประการด้วยวีรัตสารคือหนึ่งสมาทานวีรัตรักษาด้วยการสมาทานไว้จะเป็นสมาทานมันอยู่ในห้องพระคนเดียวก็ได้สมาทานกับพระก็ได้ข้อที่สองสัมปัตตะวีรัตสมาทานในเมื่อมีเหตุการณ์ประจวบเข้าเฉพาะหน้าเช่นว่าเราอาจจะเดินไปตำทางไปเจอ อับหรือสร้อยอะไรเขาตกหล่นกลางทางอ่าโดยที่เราก็ตั้งจิตเลยว่าเราจะไม่ถือเอาซัก์นี้มาเป็นของของตัวคือเราจะถือเอาก็ประกาศหรือเอาไปมอบให้ที่อศูนย์กลางเขาประกาศว่าเป็นของผู้อ น, นึ่งผู้ใดก็ให้เขามาเอาไปให้เขามาเอาไปอะฉะนั้นอย่างนี้เรียกว่าเราวีรบุรัษด้วยการเมื่อมีเหตุการณ์ประสบขึ้นเฉพาะหน้า แตการที่สามสมุทรเชิวิรัตก็เป็นวิรัตของพระอิยเจ้าคือสมทานอย่างเด็ดขาดเลยนะอย่างเด็ดขาดเพราะนั้นศีลก็ยังแบ่งออกอีกเป็นศีลขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงศีลขั้นต้นก็ียกว่านิจั์ศีลคือศีลห้าเป็นศีลของคนทั่วๆไปของคนทั่วไปแล้วก็ศีลอย่างกลางเรียกว่ามัชชิมศีลก็ได้แก่ศีลแปดศีลสิบ นะศีลแปดศีลสิบนี่ถือว่าเป็นศีลอย่างกลางแล้วก็ศีลอย่างสูงก็เรียกว่ามหาศีลได้แก่ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดหรือศีลของพิษุณีสามร้อยสิบเอ็ดข้อนี่เป็นศีลอย่างสูงฉะนั้นคนถ้าหากว่าถึงพร้อมด้วยศีลก็แน่นอนที่สุดก็ย่อมจะได้มนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติแม่นิพพานสมบัติอีกเช่นเดียวกันแต่การที่สามก็คือจาระสามประทานถึงพร้อมด้วยการเสียสละหรือด้วยการบริจาค คนเราถ้าหากว่าเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่บริจาคแน่นอนที่สุดก็เท่ากับว่าเป็นการเฉลี่ยความสุขให้กับผู้อื่นเป็นการเฉลี่ยความสุขให้กับส่วนรวมการบริจาคนั้นแน่นอนที่สุดพูดในหลักใหญ่ๆก็สองอย่างสละวัตถุสกัดสละอารมณ์สละวัตถุก็คือสละพวกสิ่งของต่างๆจะเป็นของกินของใช้ก็ได้ เพื่อช่วยเหลือเจือจานเพื่อนมนุษย์กันเพื่อนบ้านกันเพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมโลกในคราวที่เกิดวาตภัยอุท ก, กภัยอับคีภัยหรือเกิดสงครามนี่เราจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่เราเสียสละถ้าหากว่าเราไม่เสียสละเราไม่บริจาคช่วยเหลือเกื้อกูลกันแน่นอนที่สุดประเทศชาตกิก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อน การที่เราเร่ยบริจาคช่วยเหลือเพื่อกูลกันเป็นการให้สแสดงออกซึ่งน้ําใจไมตรีเป็นการอบเอื้ออารีปราถนาดีต่อกันส่วนสละอารมณ์นั้นก็คือว่าสละอารมณ์ที่มันเป็นค่าสึกต่อจิตใจเช่นความโลภความโกรธความหลงถือว่าเป็นอารมณ์ที่ทําให้จิตใจของเราต้องหมกมุ่นหรือเป็นอารมณ์ที่เสียเป็นอารมณ์ที่ ทำให้เราติดพบติดชาติฉะนั้นเราจะต้องสลายความโลภคือความเห็นแก่ตัว้โทสะก็คือความโกรธความโกรธอารมณฉุนเฉียวโมโหโกโทางง่ายโมโหก็คือความหลงทิ้งเหล่านี้เราจะต้องสละออกไปสละความโลภ ก, ก็โดยการให้ทานสละโทสะด้วยการรักษาศีลแล้วก็มีเมตตาสละโมหะด้วยการเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมศึกษาเล่าเรียน จเจริญสมาธิสมถะวิปัสสนาเนะการสุดท้ายก็คือว่าเราต้องถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาการที่เราถึงพร้อมด้วยปัญญาก็คือว่าคนมีปัญญาก็คือเป็นคนที่รู้ดีรู้ชื่อนะรู้ดีรู้ชื่อนะปัญญานี้ก็แบ่งออกเป็นใหญ่ๆสองอย่างคือปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรม ปัญญาในทางโลกก็ยังเพี้นปัญญาที่เราทํามาหากินไปวันวันหนึ่งนะวันวันหนึ่งโดยที่ว่าไม่ต้องเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมากอันนี้เป็นปัญญาทางโลกที่เราได้เริ่มเรียนศึกษากันมาจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกอันนี้มันเป็นเป็นความรู้เป็นปัญญาในทางโลกปัญญาอย่างนี้มีไว้ก็เฉพาะไวหากินนะไวหากินเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิตแต่ทีนี้ เราจะต้องมีปัญญาในทางธรรมนะต้องมีปัญญาในทางธรรมปัญญาในทางธรรมนี้เอาไว้ควบคุมในการดําเนินชีวิตประกอบกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้พลังเผลออไนะม่ให้พลังเผลออันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะนั้นในเรื่องอาทางโลกกับทางธรรมนี้จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะจะขาดเสียอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้นะ และเห ท, ที่จะให้เกิดปัญญาก็คือหนึ่งสูตตรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังอการที่เราได้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ทําให้เรามีความรู้ทําให้เรามีความฉลาดคนที่ไม่รับรู้ไม่รับฟังอะไรเลยนั่นแหละคือคนโง่ประการที่สองกินตรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดรู้จักคิดนะรู้จักตรองตรึกนึกคิดว่าอะไรควรไม่ควรอะไรมันเหมาะสมกับไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้อะไรมันถูกมันผิด อย่างนี้เรียกว่าจินตามยปัญญาประการที่สามภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการอบรมบ่มิสัยด้วยการนั่งสมาธิเจริญสมถวิปัสนาก็จะทำให้เรามีปัญญาแก่ฉันในการดำเนินชีวิตแล้วก็เราชั่วจะมีความสุขดวงจิตอยู่ตลอดเวลาเอาละ การบรรยายเกี <necessary. S 2> ่ยวกับเรื่องทำเป็นเหตุให้เราสมหมาย4ี่อย่างศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเชื่อศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลจาระสัมปทาถึงพร้อมด้วยบริจาคทานปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาก็พอสมควรกับเวลาฉะนั้นเมื่อเราประพฤติทำทั้ง4อย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้เราสมหมายคือได้สมบัติได้ยศได้มีอายุยืนและได้สวรรค์แล้วก็มีความสุขเป็นที่ไปในเรื้องหน้าก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะได้พูดในหมวดของขีิปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสำหรับครืหัดในหัวข้อว่าตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะเหตุสีอย่าง คืนหนึ่งไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วสองไม่บุรณะไม่บูรณะพัสดุที่ข่ำคล่าสามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติสี่ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือนผู้หวังจะดำรงวงตระกูลให้จเจริญรุ่รงเรืองก็ควรเว้นเหตุสี่ประการนี้เสีย แต่ถ้าหากว่าผู้ใดประมาทงัวเมาแน่นอนที่สุดแม้ว่าจะมีตระกูลอันมั่งคั่งร่ำรวยทรัพสมบัติอย่างไรก็ย่อมจะถึงความหายณะได้มีคาที่น่าพูดในที่นี้ก็คือว่าคำว่าตระกูลคำว่าตระกูลมาจากศัพท์ว่ากุลละกุละนี่แปลว่ า, าแปลว่าฝั่งหรือแปลว่าฐานะ แปลว่าฝั่งหรือฐาน ะ, ะที่เกาะที่ยึดอาศัยของสัตว์ผู้ลออยู่ในขั่วงน้ําก็คือโลกนั่นเองดังนั้นตระกูลที่มั่งคั่งมีทรัพย์ก็ตระกูลไหนที่ร่ารวยก็จะได้เรียกว่าเป็นตระกูลที่มั่งคั่งเพราะว่าทรัพย์เป็นกําลังในอันที่จะยังกิจที่จะพึงทําทรัพย์ให้สําเร็จกิจอย่างนี้พึงเห็นเช่นการเลี้ยงตนมารดาบิดาบุตรภรยาเป็นต้น ทรัพนั้นอันบุคคลแสวงหามาได้แล้วจะตั้งอยู่จะเจริญขึ้นเพราะเจ้าของรู้จักรักษารู้จักบุณะและรู้จักใช้ใจ่ายเพราะเหตุนั้นผู้หวังจะดำรงตระกูลของตนจึงต้องควรเว้นเหตสี่ประการข้างต้นที่ได้กล่าวมาและพึงปฏิบัติก็คือว่าเมื่อพัสดุที่หายไปสิ่งใดที่หายไปก็ให้เราสอบแสวงหา นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในข้อแรกที่บอกว่าไม่แสวงหาพัสดุที่หายไปแน่นอนที่สุดแต่คำว่าพัสดุนี้ก็คือว่าทั้งคือสิ่งทั้งของกินของใช้นะอ่าของกินของใช้อะไรของเราที่ได้สะสมไว้ที่เราได้หามาได้โดยสุดจริญอ่าโดยชอบเมื่อถึงคราวหายไปเราก็ต้องแสวงหาต้องติดตามไม่ใช่ว่ามันหายไปแล้วก็หายไป นะไม่สนใจอ่าอย่างนี้จะได้ชื่อว่าเรานั้นไม่เป็นคนรอบคอบเรานั้นไม่เป็นคนมัธยัเรานั้นไม่ไม่รักษาตระกูลอ่าไม่รักษาตระกูลการที่เราทำอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราทำลายตระกูลอ่าให้สังเกตดูคนแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองอย่างไรแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จัก สแสวงหาพัสดุที่มันหายไปแล้วเอามาเพิ่มเติมหรือเอามาปฏติดประต่อให้มันสมบูรณ์แบบหรือให้มันมีมากขึ้นให้มันงอกงามขึ้นแน่นอนที่สุดผู้นั้นก็จะมีแต่ความหายนะอย่างเดียวมีแต่ความหายนะฉะนั้นเราจะต้องเอาใจใส่นะเอาใจใส่เสาะสแสวงหาโดยไม่ทอดทิ้งถุร ะ, ะพูดถึงตามชนบท ที่เขามีสมบัติมีวัวมีควายก็ปรากฏว่ามีการลักขโมยกันบางทีเขาตามกันเป็นสามสี่วันเพื่อจะเอาไอ้ทรัพย์สมบัติคือวัวควายถือว่าเป็นวิญญาณก็ทรัพย์เป็นทรัพย์ที่มีวิญญาณเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เดินได้ต้องติดตามกันเป็นวันเป็นคืนติดตามกันเอามาจนได้นะเอามาจนได้หรือบางครั้งเราเห็นว่า าตามที่เคยลงหนังสือพิมพ์บางครั้งก็มีาการขโมยสิ่งของกันไปนะของหายมีเพชรบ้างมีของมีค่าบ้งางของราชของหลวงอก็มีการติดตามกันเอาคืนมาได้หรือตามที่โจรในกรุงเทพของเรามีการลักมีการขโมยหรือ ง, งัดแงอจกจิงวิ่งราวอาพวกเพชรทองหยองต่างๆก็มีการติดตามเอาคืนมาได้นะสิ่งเหล่านี้แหละถือว่า เป็นการที่เราหามาได้แต่ว่าเมื่อหามาได้มันหายไปเราก็ต้องแสวงหากลับคืนมาเมื่อแสวงหาจนได้ถึงที่สุดแล้วมันไม่ได้อันนั้นมันก็อีกอย่างหนึ่งแต่เราก็ต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นเอามาทดแทนกันเอามาชดเชยกับในสิ่งที่มันหายไปถ้าเราทำอย่างนี้ได้แน่นอนที่สุดตระกูลของเราก็จะเป็นตระกูลที่มั่งคัง่งแล้วก็จะตั้งอยู่ได้นานแต่ถ้าหากว่าเราเป็นประเภทคนสูรุยสูร่ายไม่สนใจ ตระกูลของเราโจะตั้งไม่ได้นานถ้าเราคิดในอีกแง่หนึ่งเราก็จะเห็นว่าของมันหายแล้วก็หายไปน ะ, ะทำเอาใหม่ <c oughs> ในข้อนี้มันก็ถูก <c oughs> คำว่าทำเอาใหม่นี้ก็คือว่าเราสร้างขึ้นใหม่แต่ประเภทที่ว่าหายแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่สร้างขึ้นมาใหม่อีกด้วยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามทํานองกลองธรรมแล้วก็จะทำให้ตระกูลของเรานั้นขาดศูนย์ไปได้เคยมั่งคั่งก็จะ หมดความมั่งคัง่งก็จะกลายเป็นคนยากจนนะกลายเป็นคนยากจนฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเป็นคนดีนะต้องเป็นคนดีรู้จักใช้ใจ่ายทรัพสมบัติหรือรัสดุ ข, ของเราที่มีอยู่นั้นให้เป็นประโยชน์ให้ถูกต้องให้เหมาะสมว่าอะไรควรใช้กับอะไรนะอะไรควรใช้กับอะไรอะไรที่มันหายก็มาหามาต่อเติมซะอย่างนี้ก็ จะทําให้เรานั้นเป็นตระกูลที่มั่งคั่งสืบต่อไปประการที่สองไม่บูรณะพัสดุที่ค่ําค่าเป็นธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นหลักความจริงในทางพระพุทธศาสนาไม่มีของไม่มีวัตถุอันใดที่จะอยู่ถาวรจีรังยั่งยืนนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เมื่อเกิดขึ้นได้มันก็เปลี่ยนแปลสภาพได้จากของใหม่ก็ต้องเป็นของเก่าอาจจะมีการชำรุดซุดโทมไปเป็นธรรมดาถ้วยโถโอชามมันแตกมันบิน่นตู้โต๊ะตังเตียงมันหักน็อตมันหลุดประตูมันหลุด อ, อันนี้เราต้องรู้จักซ่อมแซมต้องรู้จักบูรณะบ้านเรือนตรงไหนมันผุมันพังต้องไปรู้จกักเอามาประติประตอเอาสังกะสีเอากระเบื้องมามุง อรอดเสาตรงไหนมันไม่ดีก็รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี่แสดงว่าเรารู้จักบูรณ ะ, อะของที่มันเก่ามันคําคร่าหรือมันหมดอายุก็เอามาเติมมาต่อให้มันมั่นคงถาวรสืบต่อไปแม้แต่เครื่องใช้ที่อยู่ในตัวของเราเช่นเสื้อผ้าอภรรเหมือนกันแน่นอนที่สุดเมื่อเราใช้บ่อยๆเข้ามันก็เก่านะมันก็เก่ามันก็อาจจะขาดไปได้ เราก็ต้องรู้จักปะชุนรู้จักเย็ บ, ร, บ, ร, บนะรู้จักบุรณะบ้างรู้จักบูรณะบ้างอย่างนี้แหละจะทำให้เรานั้นเป็นตระกูลที่มั่งคั่งได้แต่ถ้าหากว่าเราถือว่าขาดนิดขาดน้อยก็ทิ้งเลยนะอย่างนี้แน่นอนที่ตุดถึงแม้ว่าเราจะมั่งคั่งอย่างไรก็มีแต่ความหายนะได้อันนี้ก็มาพิจารณาดูขอประทานโทษ คนชาวกรุงของเราในส่วนใหญ่รู้สึกว่าในเรื่องอบุญอ้าของเก่านี้จะไม่ค่อยนิยมนะที่อย่างนี้ก็สังเกตดูนักเรียนนักศึกษานะนักเรียนนักศึกษาจะเห็นว่าเสื้อผ้าอาภรณ์นี้พอเก่านิดหน่อยก็ทิ้งแล้วเรียนใหม่รองเท้าเก่านิดหน่อยก็ทิ้งแล้วบางครั้งยังไม่ได้ขาดเลยสักนิดเดียวนะไม่ได้ขาดเลยสักนิดเดียวนี่อันนี้น่าเสียดายมากนะน่าเสียดาย อันนี้อาตมาได้เคยไปสอนตำโรงเรียนแล้วก็ประกาศว่าใครนักเรียนที่มีเสื้อผ้าเกา่าๆกับตรงกางเกงอะไรเสื้อก็ให้เอาเก็บใส่ลังมาจะเอาไปช่วยคนยากคนจนตามชนบทนะตำโรงเรียนต่างๆปรากฏว่าเอามากันเป็นพันๆเป็นหมื่นๆตัวนะแล้วก็ยังดีทั้งนั้นเลยบางทีดูใหม่จังเลยนะยังใหม่นี่แสดงว่า ชาวกรุงของเราเนี่ยไม่ค่อยได้บูรณะไม่ค่อยได้พัฒนาเรื่ไอ้สิ่งที่มันเก่ามันใหม่ที่จะทำไอ้สิ่งที่มันเก่ามันขาดแล้วที่จะเย็บจะปะจะชุนก็ไม่สนใจนะที่เก่าก็เก่าไปทิ้งไปเลยนะอันนี้เห็นอยู่บ่อยๆแต่ว่าตามชนบทของเรานั้นถ้าเราไปเห็นแล้วก็น่าสงสารนะน่าสงสารเสนะื้อที่ใส่ไปโรงเรียนก็ขาดแล้วขาดอีกปะแล้วปะอีกอกางเกงก็ ปะจนไม่มีชิ้นดีว่างั้นปะปกันจนไม่มีชิ้นดีปะแล้วก็ยังขาดเพราะมันเปืย่ยก็มีอยู่ชุดเดียวนะใช้ได้ทั้งตีชุดเดียวแต่ว่าในชาวกรุงของเรานี่รู้สึกว่าบางคนไม่มีหลายชุดเป็น ส, ส, สิบสิบชุดก็มีอย่างนี้ก็แหมรู้สึกว่าคือเขาเปลี่ยนอยู่เรื่อยเดือนสองเดือนเปลี่ยนเรื่อยเดือนสองเดือนเปลี่ยนเรยนี่แหละจึงบอกว่าเป็นข้อที่แตกต่างกันว่าฉะนั้นหน้าเสียดายนะหน้าเสียดายเหลือเกิน แล้วก็น่าสงสารคนบ้านนอกน่าสงสารมากอปีหนึ่งก็ใส่ไปชุดเดียวอยู่อันนั้นเองใส่มาโรงเรียนไอ้ชุดมาโรงเรียนก็ใส่อยู่บ้านใส่เลี้ย ง, งวัวใส่เลี้ยงควายหาเปียกน้าเปียกท่าก็ชุดนั้นเองนะนี่อยู่อย่างนี้แต่ว่าพวกคนที่เขามีบุญญาบา ร, รมีบุญหนักสักสูงก็มีหลายชุดมีให้ผัดเปลี่ยนอย่างสะดวกสบายก็มีคนซักมีคนรีดให้กาวน้อยก็เอาใหม่ แทบจะเรียกว่าเดือนละชุดเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดมากฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักบุรณ ะ, อะอของที่มันเก่าเอามาตกแต่งปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนมัธยัติและก็เท่ากับว่าเรานั้นช่วยครอบครัวช่วยสังคมช่วยประเทศชาติถ้าหากว่าเราเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายเก่าก็ทิ้งไปขาดก็ทิ้งไป อ, อย่างนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นไม่รู้จัก บุรณะไม่เห็นคุณค่าของเก่าหรือว่าไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดเป็นประโยชน์กับตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้พวกเราลองนึกดูสิว่าบางคนนี่เขาเก็บเอาของเก่าๆเอามาประติดประตอกันกลายเป็นของที่มีค่าและก็มีราคามีค่ามีราคา ช่วยโถโอชามเครื่องสังคเครื่องไร้คามต่างๆบางครั้งมันเก่ามันแตกเอาไปทิ้งกันแล้วเขาก็เก็บออกมาประติดประตอกันอกลายเป็นของมีค่ามีราคาอตั้งราคาเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าเราจะต้องรักษาเอาไว้นของเก่าบางอย่างหามไม่ได้นบางอย่างหามไม่ได้ไม่มีอีกแล้วเราจะต้องอช่วยกันซ่อมแซมเอาไว้ ฉะนั้นทุกวันนี้เราจินได้รณรงค์บุรณะของเก่ากันเช่นพวกบ้านทรงไทยหรือเกี่ยวกับเรื่องวัดวาอารามต่างๆหอพระไตรปิฎกบ้างหรือพวกศิลปรกาารรมสถาปัตยกรรมต่างๆนี้บางทีทางกรมศิลป์เขาจึงไม่ให้หรือ้อไม่ทําลายมีแต่การซ่อมแซมต้องการรักษาของเก่าเอาไว้ด้วยการบูรณะหรือไปเพิ่มเติมให้ไอ้สิ่งที่มันชํารุดนั้นให้มันดีขึ้น อ, อย่างนี้ก็ในชื่อว่าทําประโยชน์ให้เกิดขึ้น ให้เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าหากว่าเราทุกคนช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติก็ดีเช่นพวกวัดว า, ารามต่างๆที่มีศิ ล, ลปรกรรมหรือมีสถาปัตยกรรมมีพวกภาพฝาผนังนี่ก็ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าเราต้องรู้จักบูรณะต้องรู้จักซ่อมแซมบางที่เราจะเห็นว่ามีการใส่กรอบเอากระจกไปติดไว้ป้องกันให้คนนั้นไปลอกหรือว่าไปทําลาย นะอันนี้เราควรจะช่วยกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้ใอ้คาว่าหาค่าไม่ไดไ้ไม่ได้หมายว่าไม่มีค่าคือเกินที่จะประมาณตั้งเป็นค่าเป็นราคาขึ้นนะมันสูงมากฉะนั้นเราจะต้องหวงแหนนะต้องหวงแหนอย่างนี้ถ้าหากว่าเราช่วยกันรักษาอย่างนี้ทําอย่างนี้ก็ เ, เท่ากับว่าเรารักษาตระกูลของเราวงของเราให้มั่นคงให้สถิตสถาพร อ, อยู่ไปชั่วนานแสนนาน นะแปลการที่สามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทรัพย์สมบัติคือหมายถึงว่าตระกูลที่มั่งคั่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้นานเน่ะเพราะไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทรัพย์สมบัติในคําว่าไม่รู้จักบริโภคทรัพสมบัติก็คือว่าไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่ายในการกินนะคือหมายถึงว่าไม่รู้จักกินไม่รู้จักการนใช้จ่ายนะ เพราะว่าคนเรานี่หมดเพอเรื่องกินมากนะหมดเพอเรื่องกินเรื่องใช้สอยนีนมากที่สุดในการดําเนินชีวิตของคนเราที่เรารวมเรีย ก, ยกว่าเครื่องอุปโภคบริโภคนะเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องกินเครื่องใช้นะขอให้สังเกตดูบางคนนี้แม้ว่าจะมีเงินเดือนเป็นตั้งหมื่นตั้งแสนแต่ก็ไม่พอกับการกินการใช้จากคนในจํานวนครอบครัวไม่กี่คน ไม่กี่คนแต่อีกครอบครัวหนึ่งได้เงินไม่ถึงครึ่งแค่สองพันสามพันสมาชิกในครอบครัวเท่ากันเขาดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความพาสุนนี่เพราะอะไรนี่ก็เพราะว่าเขารู้เขารู้จักประมาณในการกินในการใช้แต่คนไม่รู้จักประมาณในการกินไม่รู้จักประมาณในการใช้แน่นอนที่สุดเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายเป็นคนไม่ละเอียดละ อ, อ่ เป็นคนมือห่างปิ้นห่างนี่คนโบราณเขามากจะพูดอย่างนั้นดะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงรู้จักประมาณในการกินที่เรียกว่าโคชเนมัสตัญยุตานะรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารการบริโภคอาหารนั้นเราก็ต้องรู้จักอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็กินเป็นเวล่ำเวลาไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้ากินมากก็ทำให้อึอดอัด ทำให้ท้องอืดท้องเฟอ้อทำให้อาาธาตุกำเริบทําให้ง่วงเหงาหานอนถ้ากินน้อยเกินไปก็อาจจะทําให้หิวโหวยแล้วก็เกิดความอ่อนเพลียอา จ, จเป็นโรคกระเพาะได้นะเกิดเป็นโรคกระเพาะได้ฉะนั้นเรื่องการกินนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญนะเพเป็นสิ่งสําคัญและคนเราโดยมากก็คือว่าไม่รู้จักกินกินได้ทั้งวันทั้งคืน ให้กินอย่างนี้เขาเรียกว่ากินล้างกินผ่านเรียกว่ากินล้างกินผานกินไม่เป็นไอ้ที่ว่ากินไม่เป็นก็คือว่านอกจากกินอยู่ตลอดเวลาแล้วยังกินในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อืกินยังไงที่มันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นว่ากินในสิ่งที่มันเกินความจําเป็นอ่าเกินพอดีอเช่นว่าดื่มพวกของเสพติดต่างๆพวกเหล้าพวกเบีย อย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยแล้วก็เป็นสิ่งที่เกินความจำเป็นและเป็นสิ่งที่ให้โทษต่อสุขภาพร่างกายกินอย่างนี้ถือว่ากินล้างผลาญขอให้ท่านผู้ฟังลองนึกดูนะนักเรียนนักศึกษาและท่านสาชั่วชนทั้งหลายลองคิดดูลองนึกตามไปว่าเป็นจริงไหมถ้าหากว่าเรากินข้าวอยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกนะเดี๋ยวเราก็อก แต่ถ้าหากว่าเราไปนั่งดื่มพวกสุราดื่มเบียร์เนี่ยนั่งได้เป็นวันวั น, วนกินได้เป็นวันวันแล้วกินกินคนเดียวกินไม่ได้เราจะต้องมีเพื่อนมีฝูงมาร่วมวงไพ่บูรด้วยนะกินอย่างเหล้าอย่างเดียวไม่ได้เบียร์อย่างเดียวก็กินไม่ได้จะต้องมีกลับแก้มนะมีกลับมาแก้มแค่นั้นก็ยังไม่พอจะต้องมีเพลงมีเขาเรียกว่ามีเหล้าเบาเบามีมีเหล้ า, บ า, ลาบางบางมีนางงามงามอะไรเข้ามา อคลุกเข้ากับบรรยากาศมันก็เกิดความหายนะมากขึ้นนะทรัพย์ของเราก็จะหมดไปโดยที่ไร้ประโยชน์นี่อย um ่างนี้เขาเรียกว่าเรากินไม่เป็นบางคนมาหมดเนื้อหมดตัวเพราะเกี่ยวกับเรื่องของมื่นเมานี่ของมืนเมาติดพวกเหล่านี้นะติดพวกผงพวกเฮโรอีนฟินกัญชาอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้และมันขายคนมาสัมมากแลยวนะขายคนมาสัมมากแล้วนี่เขาเรียกว่ากินไม่เป็น กินไม่เป็นไม่รู้จักบริโภคแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นยาเสพติดไม่กินไม่ได้เคยเห็นบางคนนี่ขอประทานโทษ เ, เรียกว่าพอเขาส่งไอ้แก้วเหล้าให้นี่แกรับไม่ถูกมือมันสั่นหยิบไม่ถูกนะสั่นเลยนี่ติดถึงขนาดหนักบางครั้งพอได้เกลียนแค่นั้นละโอกอากขึ้นมาแล้วอยากกินซะเต็มที นี่แหละจึงบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ลราถือว่ามันเป็นสิ่งที่หายนะเกินเรานี่เราไม่รู้จักประมาณในการกินว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินนะหรือไม่ต้องถึงขนาดไอ้ของเสพติดอย่างนี้แม้แต่เรื่องอาหารเหมือนกันพวกเรานี่รู้สึกว่าเกินติดอาหารซะจนเกินความจำเป็นเช่นอะไรอย่างเช่นของโฆษณาว่าอาหารที่น่นดีอาหารที่นี่ดีเราก็ไปแสวงหาการกินกัน ไห้กินอย่างนี้กินด้วยตัณหากินด้วยความโลภนะเราไม่ได้กินเพื่อยังชีวิตให้เป็นอยู่นะเราควรจะถามตัวเองว่าเรากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินนี่ถ้าเรากินเพื่ออยู่มันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าไอเราอยู่เพื่อกินนี่มันก็ไม่ไหวนะกินจบกินจิกกินดะเลยนะเขาว่าอาหารที่น่านดีเอาไปแล้วบางครั้งไม่มีรถก็ต้องยอมจ้างรถไปมีรถก็ขับไปบางครั้งไปเป็นแรมเดือน อ่าไปเป็นวันเป็นคืนแล้วเมื่อไปกินกันแล้วกลับมาก็แน่นอนที่สุดมึนเมากันมาเต็มที่ขับรถแหกโค้งไปบ้างตกถนนตายชนกันตายอันนี้ก็เพราะไอ้ความเห็นแก่กิน่นนะไอ้ความเห็นแก่กินที่จริงอาหารนั่นอ่ากินอย่างไรก็ได้ขอให้มันเป็นอาหารที่สะอาดแล้วก็มีคุณค่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละมันมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะมีประโยชน์อาหารที่มันดีไม่ดีนะั้นมันอยู่ที่โฆษณามากกว่า โฆษณามากกว่ามันนี้บรรยากาศอย่างอื่นมาทําการประเล่าป้อมเรียกว่าเป็นการกล่อมจิตใจของเราทําให้ลุ่มหลงทําให้มึนเมาไปตามไม้สิ่งที่เขาได้อโฆษณาชวนเชื่อไปนั้นอะฉะนั้นขอให้เราต้องลองนึกถามตัวเองว่าเป็นสิ่งจําเป็นแก่เราไหมบางครั้งเราไปทานอาหารตามเหลา้าตามบาร์ที่มันจเจริญหรูหรา น ะ, จะเจริญหรูหราจานหนึ่งนี่บางครั้งตั้งยี่สิบสามสิบบาทนะไอ้ยี่สิบสามสิบาทนี่ไม่ใช่ว่าอิ่มนะไม่อิ่มอีกด้วยอนะพราะเราไปนั่งไ อ, ยอง้ยองยองเหลาเอาเก้าอี้เล็กเล็ ก, ลกแม่ค้าหาบมป น, นั่นพูดถึงสามสิบาทนี่กินอี่ลักอิเหลือเลยกินเลือดฟื้นะอิ่มเหมือนกันอืข้าวแกงราดเลือกเอาเลยหมูเห็ดเป็ดไก่เยอะแยะนะี่อิ่มเหมือนกันมีคุณค่าเท่ากัน นะแต่ว่านั่นกินไม่อิ่มนะกินไม่อิ่มแล้วต้องเสียค่ารถค่าเรือนั่งไปอีกด้วยนี่ฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าเราไม่รู้จักกินกันนะไม่รู้จักกินกันกินไม่เป็นนะนี่ก็เรียกว่ากินไม่เป็นกินอย่างนี้เขาเรียกว่ากินล้างกินผลาดกินแล้วจนนะให้กินแล้วจนนี่ป่วยกันนะฉะนั้นพวกเรานี้จึงได้ มาหมดเนื้อหมดตัวกันเพราะไอ้ปากตัวนี้สําคัญมากนะเพราะปากตัวนี้สําคัญมากฉะนั้นคนถ้าหากว่ารู้จักสํารวมปากนะระวังปากเกี่ยวกับเรื่องการาใช้การกินก็จะทําให้เรานัา้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ได้ตระกูลของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองได้แต่ถ้าคนใดเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องแน่นอนที่สุดตระกูลนั้นก็ จะเกิดการขาดแคลนนะเคยมั่งคั่งก็จะเกิดความอับจนนะที่อับจนแล้วก็จะจนจนสิ้นเนื้อประดาตัวฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงรู้จักประมาณในการกินนะเรื่องบริโภคทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ใจ่าใจพวกทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันนะต้องรู้จักประมาณไนะอ้คําว่าบริโภคทรัพย์สมบัติเนี่ยทั้งของกินได้แล้วก็ของกินไม่ได้คือของใช้เราก็บริโภคก็ต้องให้ ต้องรู้จักนะเสื้อผ้าอาภรณ์ของเราเนี่ยมันจําเป็นกับเรามากน้อยแค่ไหนอืไอสิ่งใดที่มันไม่จําเป็นเราก็ตัดออกไปเสียบ้างไอเสื้อผ้าอาภรณ์เขไม่จําเป็นจะต้องไปตามสังคมเขาอ่าบาคนนั้นเขาใช้อย่างนั้นเราก็ต้องใช้อย่างนั้นบ้างไม่จําเป็นเราต้องดูฐานะของเรานะเอาฐานะของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งเป็นประมาณฐานะของเราอย่างนี้เราจะไปใส่ไออย่างเขาเนะี่ยมันสมควรไหมนะ จะไปเหอตามเขาไปแต่งตามเขาเข้ากับหลักโบราณที่บอกว่าช้างขี้แล้วขี้ตามช้างอย่างนี้แล้วก็หายนะทุกข์ไรนะหมดเนื้อหมดตัวทุกข์ไรอันนี้เราจะต้องดูตัวเองนะคนํานึงถึงตัวเองนะอย่าไปเอาคนอื่นเป็นประมาณนะให้เสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องใส่เสื้อมันดีนักรอกนะแต่ว่าให้รู้จัดแต่งนะให้เหมาะสมกับการละเทสะให้ดูฐานะตัวเอง ก็ทําให้สะสวยสง่างามได้ดูเกลี้ยกล่ำได้บางคนใช้ของดีนะของราคาแพงๆแต่ว่าไม่รู้จักตกแต่งนะแล้วก็แต่งไม่ถูกการละเทศะดูแล้วมันก็ไม่สวยงามไอ้ราคาเป็นพันเป็นหมื่นมันก็ไม่มีความหมายนะไม่มีความหมายอันนี้ก็ยังเคยมาพูดกันบางคนเขาบอกว่านี่รองเท้าที่เขาใส่เนี่คู่ละสี่พันบาทแม้จริงๆแล้วก็คนก็ไม่ได้รู้หรอก คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าไอ้ราคาที่ใส่มันสี่พันบาทจะเดินไปในงานเนี่ยในงานนั้นในคนสักหมื่นคนนะไม่มีใครมาทักเราก็ไอรองเท้าคู่นี้คู่ละสี่พันบาทไม่มีนะก็มันก็เท่ากันกับไอคู่ละสองร้อยสามร้อยก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่บางคนนี่รู้สึกว่าสูงว่าเป็นการมีเกียรติระดับบารมีมันก็จะเป็นบารมีอะไรนะมันก็อยู่แค่เท้าแค่นั้นเองนะอยู่แค่เท้าแค่นั้นแหละ บางคนของอะไรนิดๆหน่อยๆรู้สึกมันมีค่ามากอยังปูกเนคไทก็แหมเส้นหนึ่งก็ตั้ห้ารอยหกร้อยแปดร้อยเป็นพันอ่ะที่จริงไร่เส้นละแปดสิบบาทสี่สิบาทห้าสิบาทมันก็เท่ากันเลยคือต้องนึกถึงว่าประโยชน์มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงว่าความสุภาพความเรียบร้อยอความเหมาะสมไม่ได้อยู่ตรงว่าถูกหรือแพงนะไม่ได้อยู่ตรงถูกหรือแพงดังนั้นข้อนี้เราขอให้เราต้องรู้จัก การบริโภคอาหารการใช้จ่ายอาพวกเอเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนะต้องให้เหมาะสมกันอืของประดับในบ้านก็ดูให้เหมาะสมกับฐานะของเราอย่าอะไรไปเ<ม>ขาเรียกว่า<ม>ยาเท่าไปประเภทกระตือรือร้นกระเสือกสนมันมากก็จะทําทให้เรานั่นเกิดทุกข์มากบางคนก็<ม>ไปเท่าผ่อส่งเข้ามานะปรากฏว่าใช้นี่เขาไม่หมดถูกยึดไว้ก็มีนะถูกยึดกลับไปก็มี อันนี้ก็มีมากหรือบางคนก็เรียกว่ามีลูกต้องสี่ห้าคนแล้วก็ยังใช้นี่ไม่หมดก็เพราะไอ้ความเคยอยากได้ของนั้นอยากได้ของนี้อยากใช้ของสูงอยากใช้ของแพงเพื่อต้องการให้มีคนมายกย่องเพื่อต้องการให้มีคนมาสรรเสริญเนี่ยอย่างนี้แหละมันทําให้ตัวเองหมดเนื้อหมดตัวมาสมมากต่อมากเลยเนะหมดเนื้อหมดตัวมาสมมากต่อมากฉะนั้นผู้ที่ศาสนาที่จะให้ตระกูลมั่งคัง่งก็จงรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรู้จัก ใช้ใจ่ายเครื่องใช้สอยต่างๆให้มันพอมเหมาะพอควรให้เหมาะสมกับฐานะของเราเราก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าเราไม่ทําอย่างนี้แน่นอนที่สุดเราจะมั่งคั่งอย่างไรตะกูลของเราก็จะสร้างอยู่ไม่ได้นานเพราะเหตุที่เราไม่รู้จักประมาณในการบริพวกทรัพสมบัตินั่นเองประการที่สี่ประการสุดท้ายก็คือว่า แต่กลุ่ที่มั่งคั่งตั้งอยู่ไม่ได้นานเพราะไปตั้งเอาสตรีหรือบุรุษพ่อบ้านแม่บ้านพ่อเรือนแม่เรือนที่ทุศีนก็คือเป็นคนไม่มีศีนนั่นเองคือหัวหน้านี่สำคัญพ่อบ้านแม่บ้านถือว่าเป็นหัวหน้าของครอบครัวนะถ้าหากว่าเป็นคนทุศีนคนไม่มีศีนให้คำว่าคนไม่มีศีนก็คือว่าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายนะเป็นคนสุรุ่ยสุร่าย อเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีคุณธรรมคนไม่มีคุณธรรมนี่แน่นอนที่สุดรักษาทรัพย์สมบัติไว้ไม่ได้อ่ารักษาวงตระกูลไว้ไม่ได้อย่าว่าจะทรัพย์สมบัติวงตระกูลเลยแม้แต่ลูกเต้าของตัวเองก็เลี้ยงให้มีความสุขไม่ได้นี่เลี้ยงให้มีความสุขไม่ได้คือไม่รับผิดชอบชั่วดีใดๆทั้งสิ้ น, นมันเหมือนกับว่าเป็นประเภทพวกเป็ดพวกไก่ใครแล้วก็ปล่อยเลยไม่รับผิดชอบ นะไม่รับผิดชอบก็เดินหน้าอยู่ด้วยนะพวกพ่อบ้านแม่บ้านเหมือนกันที่ไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวนะไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวปล่อยปละละเลยประพฤติอันเป็นเหตุนำมาซึ่งการเสียชื่อเสียงแก่ตัวเองแก่วงตระกูลนะทั้งพ่อบ้านแม่บ้านอย่างนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ทุศีลเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วนะ คนไม่มีศีลคือคนหนึง่งคนไม่มีศีลก็เหมือนกับอ่าคนที่ที่ตายแล้วเหมือนกันหมายถึงว่าตายจากคุณงามความดีอเป็นคนใจดําอมหิตเป็นคนโหดเหี้ยมเป็นคนมือไวเป็นคนอาปากกล้าเป็นคนใจกล้าน่เป็นคนใจกล้ า, นนลาพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นคนที่ติดอบายามกุก เป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงชายเป็นคนเจ้าชู้นะเรียกว่าเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็เป็นนักเลงนักดื่มนะเป็นนักดื่มเป็นคอทองแดงแล้วก็เป็นนักเลงการพ น, นันคบคนชั่วเป็นมิดนะแล้วก็เกียรติค้านทําการงานนี่แหละเป็นประเภทบุคคลผู้ทุศีนทั้นทงนั้นนะทุศีนทั้งนั้นฉะนั้นประเภทนี้แหละ ถ้หาหากว่าเกิดขึ้นกับฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายหรือเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายแน่นอนที่สุดตระกูลที่มั่งคั่งก็ตั้งอยู่ไม่ได้นานไอ้ร่ำรวยก็จะเกิดความยากจนยากจนก็จะยากจนหนักลงไปอีกฉะนั้นผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองจะต้องตั้งพ่อบ้านแม่บ้านที่มีคุณธรรมที่มีศีลมีธรร ม, ม, รรมนะต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อครอบครัวนะต่อครอบครัวรู้จกักสร้างครอบครัวให้เกิดสันติสุข ให้เกิดความเจริญให้เกิดความรุ่งเรืองก็เป็นต้นว่าให้รู้จักขยันให้รู้จักประหยัดให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ให้มีความอดทนแล้วก็เป็นคนกระตันอยู่<ม>ถ้าหากว่าเราทำได้อย่างนี้แ น, นนแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดตระกูลที่ยากจนก็จะเป็นตระกูลที่ร่ำรวยตระกูลที่มั่งคั่งก็จะตั้งอยู่ได้นานสืบต่อไปเอาละการบรรยาย ในหัวข้อว่าตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่ไม่ได้นานก็ด้วยเหตุสี่สถานคืหนึ่งไม่สแสวงหาพัสดุที่หายมาแล้วสองไม่บูรณะพัสดุที่คร่ำคร่าสามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคทรัพย์สมบัติสี่ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนแม่เรือนอย่างนี้ถือว่าเป็นตระกูลหายนะแต่ผู้หวังความจเจริญแล้วก็ต้องเว้นในสี่อย่างก็จะมีแต่ความ เจริญมีแต่ความรุ่งเรืองและแตระกูลที่มั่งคั่งก็จะตั้งอยู่ได้นานการบรรยายมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร